อย่างที่เราชาพุทธได้รู้กันวาวันมาคาบูชาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทาอย่างไรบ้างแต่นั้นไม่ใช่สาเหตุที่เราจะต้องทำไม่ใช่สาเหตุที่จะต้องพิจารณาสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่ในขณะนี้ คือต้องพิจารณากายเราต้องพิจารณาใจของเราอยู่ในขณะนี้พระภิกษุสงฆ์ก็ต้องคิดว่าความเป็นพระเราอยู่ตรงไหนแม่ชีก็ต้องคิดว่าความเป็นแม่ชีอยู่ตรงไหนผู้เข้ามาถือศีลก็ต้องคิดว่าเราเป็นผู้ถือศีลแปดเราเป็นผู้ปฏิบัติมันอยู่ตรงไหน สิ่งนี้คือสิ่งที่น่าคิดสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาพิจารณาในปัจจุบันทันด่วนนี่แหละพิจารณาให้เห็นปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่ปัจจุบันที่เรากําลังทําอยู่ในขณะ น, นี้เรากําลังทําอะไรพระพิสุสงฆ์นี่ห่ผมผ้าเข้ามาเป็นพระแต่เราไม่รู้ว่าความเป็นพระอยู่ตรงไหน ก็เป็นพระได้ต้องทำอะไรบ้างบวชเป็นพระแล้วจะได้อะไรบวชเป็นพระแล้วจะเสียหายอะไรได้บ้างนี่คือสิ่งที่พระภิกษุสงฆ์ต้องคิดองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายัางแสดงโอวาทปฏิโมกเพื่อให้พระอาหารหันต์ตะสาวกทั้ง1250รูปฟังโอวาทปฏิโมกก็คือสิสองีข้อของพระภิกษุสงฆ์นั่นเอง สิน2องี็้อที่พระพิสุส่งต้องพึงปฏิบัติต้องพึงรักษาไว้เพื่อไม่ให้ผิดสินเพื่อไม่ให้สินบกพร่องเพื่อไม่ให้สินมันด่างพ้อยแต่พระพิสุส่์ก็ไม่เข้าใจในเมื่อเราฟังพระปฏิโมกขในแต่และวันพระในช่วงข้าวพรรษาเราก็ไม่รู้ว่าความหมายของ โอวาทปฏิโมกขี่อง์สมมาสัมพุทธเจ้าได้สแสดงนั้นคืออะไรก็คือเรื่องศิลสองร้อเพราะฉะนั้นเราเป็นพระพุทธส่์เราก็ต้องสำรวจสำรวจกายตัวเองสำรวจใจตัวเองกายที่เราเป็นพระใจที่เราเป็นพระมันอยู่ตรงไหนให้เราได้บันสำรวจเอาไว้ แม่ชีก็เช่นเดียวกันเมื่อเราบวชนมาเป็นแม่ชีเข้ามานุ่งขาวห่มขาวเพียงแค่เสื้อผ้าที่เข้ามาห่มกายลงเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์สีขาวเนี่ยสีแห่งความบริสุทธิ์เป็นสีที่เปื้อนง่ายที่สุดเป็นสีที่สกปรกง่ายที่สุดถ้าผู้ที่สวมใส่ไม่รักษาให้ดีๆ ไม่ดูแลชุดที่สวมใส่ชุดนั้นก็จะสกระปรกได้ง่ายเช่นเดียวกันเราก็ต้องรองพิจารณาว่าในขณะนี้เนี่ยเราเป็นแมช่ชีเราจะทำยังไงแม่ชุดขาวเราสกรปรกแม่ชุดขาวเราเปื้อนผู้ที่เข้ามาถือศีลก็เช่นเดียวกันเราก็มาถือศีนด้วยเจตนาอันใดอันหนึ่งทางวัดก็ไม่สามารถได้รับรู้ได้ เว่าเรามาถือศีลเพื่ออะไรบางคนเข้ามาถือศีลเพื่อแก้บนบางคนเข้ามาถือศีลเพราะทุกข์บางคนมาถือศีลเพราะ อ, อกหักบางคนมาถือศีลเพราะหนี้ศีลสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้เราต้องเข้ามาถือศีลเพื่อมาสงบจิตสงบใจภายในวัดแต่ผู้ที่เข้ามาถือศีลก็เช่นเดียวกัน มาสวมใส่ชุดขาวมานุ่งขาวห่มขาวเช่นเดียวกันก็อย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่เปือเป้อนง่ายที่สุดเป็นสีที่สกปรกได้มากที่สุดเพราะนั้นเรานุ่งขาวห่มขาวเราจะรักษายังไงไม่ให้ชุดที่เราสวมใส่มันสกปรกไม่ให้ชุดที่เราสวมใส่มันเปเปื้อนรวมไปถึงพระพิสุก็เช่นเดียวกัน ผ้าที่เราห่มอยู่ในขณะนี้เป็นผ้าที่เย็บย้อมด้วยน้ําฝาดเป็นผ้าที่เย็บย้อมด้วยถูกต้องตามพระวินัยกีวรก็มีเก้าขันเราก็ห่มไปแต่เราไม่รู้ว่าเราห่มแล้วเราจะได้อะไรบ้างห่มแล้วผ้าที่เราห่มเนี่ยมันจะรักษาเราได้นานแค่ไหนมันจะคุมกายเราได้แค่ไหน เราเป็นแค่เพียงสิ่งสมมุติขึ้นมาว่าเราเป็นพระเท่านั้นเองเราเป็นพระแล้วเราไม่ได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เราเป็นพระเราก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษเราเป็นพระเราไม่ได้เป็นคนเก่งเราเป็นพระเราไม่ได้เป็นคนที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเอง แค่สมมุติขึ้นมายกขึ้นมาให้เป็นพระพิสุสงในพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ในสิ่งที่ผิดได้บ darum, นโล ก, ก, กใบนใีคน้คนเก่งเกิดมาก็ต้องตายคนไม่เก่งเกิดมาก็ต้องตายคนฉลาดเกิดมาก็ต้องตายคนโง่โกรมาก็ต้องตายคนดีเกิดมาก็ต้องตายคนไม่ดีเกิดมาก็ต้องตาย แลเราจะเอาอะไรกับชีวิตเรานักถาในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ชาวพุทธเพื่อให้พุทธศาสานิกชนได้นำไปประพฤติปฏิบัติแต่เราเป็นชาวพุทธที่ฟังธรรมแล้วบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจในธรรมนั้นบางครั้งเราฟังธรรมแล้วเราก็ไม่รู้ในธรรมนั้นธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว ทำที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้วางหัวข้อธรรมที่ให้พุทธศาสนิ ก, กชนหรือเราชาวพุทธเนี่ยปฏิบัติในวันมาคบูชาหรือเราจะปฏิบัติวันไหนไหนก็ได้ถ้าเรามีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามประพฤติตามในธรรมขององค์สมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมเนี่ยเราไม่สามารถรู้ธรรมอย่างแน่นอนถ้าเราไม่รู้ธรรมเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจธรรมอย่างแน่นอนธรรมที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้เนี่ยเพื่อให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยได้คิดได้พิจารณาว่าสิ่งไหนทาแล้วเป็นบาปเราต้องไม่ทาถึงบาปนั้นจะเป็นบาปน้อยหรือจะเป็นบาปมากเราก็ต้องไม่ทา ธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางเอาไว้คือการไม่ทำบาปทั้งปวงนั่นเองสรพาปาปัสะอาดระดังคือการไม่ทำบาปทั้งปวงข้อที่หนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวงบาปในที่นี้คืออะไรบ้างบาปทางกายก็คือการกระทาเราอาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นโดยที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดี ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีใช้กายเราไปทำร้ายผู้อื่นเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ว่าเป็นบาปบาปอย่างมาหันแล้วลองพิจารณาว่าเนี่ยกายเราเนี่ยเคยไปทำเช่นนี้กับใครบ้างเคยไปทำอย่างนี้กับใครบ้างนี่คือสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้พิจรารณา ให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องว่าสิ่งไหนทำแล้วเป็นบาปสิ่งไหนทำแล้วไม่เป็นบาปถึงบาปนั้นจะมากหรือบาปนั้นจะน้อยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเขาตัดเอาไว้ว่าไม่ควรทำถ้าสิ่งไหนไม่เป็นบาปแล้วเราจึงทำสิ่งไหนเป็นบาปเราต้องไม่ทำนี่บาปทางกายที่เราใช้ร่างกายไปทุบไปตีไปตก ไปเขียนฆ่าไปอาฆาตพยาบาทปองรล่กับบุคคลอื่นเนี่ยก็เป็นบาปบาปทางกายและบาปทางใจเนี่ยบาปทางใจเนี่ยเราก็คิดคิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คิดว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคิดแต่จะใส่ร้ายผู้อื่นคิดแต่จะนินทาผู้อื่นคิดแต่จะว่าผู้อื่น สิ่งนี้องค์สัมมาทิฏฐ์พรุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าเป็นบาปเช่นเดียวกันบาปทางใจเนี่ยที่เราคิดที่เราพิจารณาเรามันโนขึ้นมาเองว่าทำไมสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ทำไมสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราคิดเป็นอกุศลบาปมันก็จะเกิดขึ้นภายในใจเราทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัว ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราลองพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ละวันเนี่ยทั้งทางกายทั้งทางวา จ, จาทั้งทางใจเนี่ยเราทําอะไรที่เป็นกุศลให้กับตัวเราเองบ้างส่วนข้อที่สองกุระสู่อุปสัมบทาคือการทํากุศลให้ถึงพร้อม คือการทำความดีให้ถึงพร้อมนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าดีคือสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เรียกว่าชั่วเขาเรียกว่าอากุศลมันมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายที่เป็นกุศลก็คือสิ่งที่ดีฝ่ายที่เป็นอกุศลคือสิ่งที่ชั่วสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้เรายองแยกแยะใจตัวเองสิ ว่าในขณะนี้เนี่ยใจที่เป็นกุศลเรามีมากแค่ไหนถ้าใจที่เป็นอกุศลเรามีมากแค่ไหนลองแยกใจเราดูมองไปที่ใจพิจารณาไปที่ใจเราว่าในขณะนี้เนี่ยเราจะสร้างกุศลให้กับใจเราเราจะสร้างกุศลให้กับกายเราในขณะนี้สิ่งที่เป็นอกุศลยังเข้ามาทำลายสิ่งที่เป็นกุศลเลย แล้วเราจะประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเราตามไม่ทันถ้าเรารู้ไม่ทันในสิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นภายในกายและใจเราเนี่ยเราจะปฏิบัติได้อย่างไรสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเขาเป็นมงคลกับตัวเองส่วนสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะเป็นอปปมงคลกับตัวเองแล้วเราก็ต้องแยกเอา พิจารณาเอาใจที่มันคิดชั่วไลยคิดหยาบคิดไม่ดีคิดอาฆาตเข็นฆ่าพยาบาทปองไล่อิจฉาลิสยานี่คือจิตที่เป็นอกุศลวม่จิตเหล่านี้มันเกิดขึ้นความอัปมงคลมันก็จะเกิดขึ้นภายในกายและภายในใจเรามันก็ฝังอยู่ในกายกับใจเราจิตที่เป็นกุลน่ะจิตที่เป็นกุเนี่ก็ทำให้ สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งไหนดีทำแล้วดีเราถึงทำสิ่งไหนทำแล้วไม่ดีเราก็อย่าไปทำเพราะนั้นกรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการกระทาทางกายโดนการกระทาทางใจความดีก็จะเกิดขึ้นความชั่วก็จะเกิดขึ้นทั้งกายและใจสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลก็จะเกิดขึ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นผู้ปรฏิบัติธรรมต้องพิจารณาให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆดวยว่ากายและใจเราปัจจุบันนี้ เรากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำแล้วทำแล้วเราจะได้อะไรลองพิจารณาให้ดีๆส่วนข้อที่สามการทำจิตใจให้ผงแผวสิจตะปริโยทสาปนังก็คือการทำจิตใจให้ใสเป็นแก้วพยายามขัดเกล่าใจของตัวเอง ให้มันสว่างให้มันสวยให้มันมีแสงเกิดขึ้นอยู่ในกายเราองค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้เช่นนั้นใจที่มันเศร้าหมองใจที่มันมืดใจที่มันบอดใจที่มันมองไม่เห็นไม่สามารถไม่สามารถเข้าใกลพานิพานได้ นอกจากเราพยายามขัดใจเราให้ใสยอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะทำใจเราให้ใสยอยู่ตลอดเวลาเราปล่อยได้ไหมเราวางได้ไหมเราลดได้ไหมเราเลิกได้ไหมเราละได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นภายในใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราตามทันหรือเปล่าขณะนี้ใจเราอยากได้อะไรอีกช่วงขณะหนึ่งใจหลอกใจเราอยากมีอะไร อีกชั่วขณะหนึ่งใจเราอยากทำอะไรอีกชั่วขณะหนึ่งใจเราอยากได้อะไรใจเรามันน่ากลัวน่ากลัวยิ่งนักแต่เราไม่รู้ว่าความน่ากลัวที่เกิดขึ้นภายในใจเราเนี่ยมันเป็นอกุศลมันทำลายใจเราทุกวันให้ใจเราหมองมัวให้ใจเราขุ่นคล่องให้ใจเราเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ยังอยากจะทำ ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกไว้ว่าเราต้องขัดใจเราทุกวันทำใจเราให้ผ่องแผ้วทำใจเราให้ผ่องใสเราต้องทำสมาธิทุกๆุกวันเราถึงจะเข้าใกล้พระนิพพานเราก็พิจารณาเอาพิจารณาในธรรมที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ ธรรมที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วเนี่ยเป็นพระธรรมคำสั่งสอนที่ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องประพฤติตามจึงจะเห็นผลและก็ได้ผลแต่ถ้าเราฟังธรรมเราไม่เข้าใจธรรมเราไม่รู้ธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นผลปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ผลเลยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดธรรมไว้แต่ละอย่างตัดธรรมไว้แต่ละข้อเนี่ย อย่างสละสลวยอย่างงดงามอยู่ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะมองเห็นธรรมของสมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่เราเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเรายัางปุุงแต่งการปฏิบัติเนี่ยเปรียบเสมือนการกินอาหารการกินอาหารมันก็มีหลายรสชาติมีทั้งรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็ม อยู่ที่จริตของแต่ละคนว่าจริตของแต่ละคนเนี่ยจะชอบรสใดบางคนก็ชอบรสหวานบางคนก็ชอบรสเปรี้ยวบางคนก็ชอบรสเค็มบางคนก็ชอบรสจืดการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นบางคนก็อยากปฏิบัติแบบจริงจังแบบเข้มข้นบางคนก็อยากปฏิบัติ ตามคนอื่นเขาบางคนก็อยากปฏิบัติบ้างไม่อยากปฏิบัติบ้างบางคนก็อยากถือศีลบ้างไม่อยากถือศีลบ้างบางคนก็ยังมีมือถือสากปากถือศีนก็มีบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราเป็นผู้ที่มีศีนเราเป็นผู้ที่โชคดีเราเป็นผู้ที่มีโอกาส การทำความดีในโลกใบนี้มีมากมายอยู่ที่เราจะทำความดีอะไรให้กับตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสแล้วความดีที่เราพึงจะทำได้ในขณะนี้เนี่ยเราทำให้ตัวเองเราทำให้กายเราดีทำให้ใจเราดีเพราะความดีเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทำ บางครั้งเราคิดว่าสิ่งนี้ดีแต่เราไม่มีโอกาสทําบางครั้งเราก็คิดว่าสิ่งนี้เหมาะสมแต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะทําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะ น, นี้ทั้งพระพิสุสง์ก็มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นพระได้รักษาศินได้ถือศินสอี่สิบข้อในความดีเราไม่ทําในความเป็นกุศลเราไม่ทําแล้วเราจะได้อะไร เพราะนั้นเราต้องพิจารณาให้ดีๆว่าเรามีโอกาสแล้วแต่เราไม่ยอมทำในสิ่งนั้นเราก็จะไม่ได้อะไรแม่ชีก็เช่นเดียวกันเรามีโอกาสที่จะทาความดีให้กับตัวเราเองอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นเดียวกันเราก็มีโอกาสที่จะทำความดีให้กับตัวเราเอง เชื่อได้ว่าทุกคนในที่นี้เนี่ยต้องการที่จะทำความดีแต่ในความดีก็ต้องมีความชั่วอย่างแน่นอนความชั่วเนี่ต้องย้าหน่อยเพราะความชั่วนี่มันฝังลึกอยู่ภายใต้จิตใจของคนเราทุกคนเราไม่ได้พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรามาถือศีลแล้วบางครั้งเรายังคิดทําในสิ่งที่ไม่ดีเลยเยอะแยะมากมาย เรายังไม่เข้าใจเรายังไม่เข้าใจในธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังไม่เข้าใจตัวเองเรายังไม่เข้าใจคนอื่นเพราะนั้นเราต้องพิจารณาบ่อยๆต้องพิจารณาโยงเนืองนิดว่าในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่สิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้แล้วทําแล้วเราจะได้อะไรทําแล้วเราจะขาดทุนหรือได้กําไร วันนั it, history, comments, genocide, ้นหลากหลายรสชาติหลากหลายชีวิตหลากหลายบุคคลที่มาอยู่รวมกันภายในวัดเนี่ยต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างจิตต่างคนก็ต่างใจต่างคนก็ต่างความรู้ต่างคนก็ต่างความรู้สึกอย่างที่บอกในเบื้องต้นคนเก่งก็ต้องตายคนไม่เก่งก็ต้องตายคนฉลาดก็ต้องตายคนโง่ก็ต้องตาย คนดีก็ต้องตายคนเลวก็ต้องตายเพราะนั้นทุกคนตายหมดเกิดมาพบกันชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้าเราอาจจะไม่ได้พบกันอีกก็ได้แล้วทำไมเราต้องมาสร้างวิบากกรรมด้วยกันเราต้องมาทะเลาะกันเราต้องมามีปัญหากันทั้งๆ ท, ที่เรามาอยู่ในวัดเดียวกันเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมต่างคนต่าง ความต้องการต่างคนต่างความรู้สึกนี่คือความเป็นไปโดยธรรมชาติในชีวิตของมนุษย์แต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปรสชาติต่างๆนานาเ น, นี่ยเปรียบเสมือนการปฏิบัติแต่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสเสวยเพียงรสเดียวสิ่งที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสวยสเสวยแล้วเป็นทิพ เสวยแล้วอิ่มไปตลอดชั่วกับชั่วกันเลยชั่วไร้กับไรยกันเลยเป็นรถเดียวที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยคือวิมุตติรถนั่นแหละคือรถแห่งความสุขที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าสเสวยคือรถแห่งความหลุดพ้นวิมุตติคือความหลุดพ้น ก็คือรสชาติองค์สมมาสัมพุทธเจ้าก็พยายามพยายามบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญตบะเพื่อสเสวยวิมุตติรสคือรสแห่งความหลุดพ้นนั่นเองแล้วเราละ่ะเราเป็นใคร เรายังเป็นคนธรรมดาอยู่เลยเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยเราลังไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันถูกหรือมันผิดมันดีหรือมันไม่ดีสิ่งที่เราทําในขณะนี้มันขาวหรือมันดําสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันผิดหรือมันถูกสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้มันได้หรือไม่ได้ สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาเพราะดั้นธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตัดไว้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนในวันมาฆบูชาผู้ปพระพิฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องหมั่นพิจารณาให้ดีๆมองตัวเองให้มากๆ อย่าไปมองคนอื่นมองคนอื่นรู้สึกอารมณ์เสียก็อย่าไปมองมองคนอื่นแล้วรู้สึกห ง, งุดหงิดก็อย่าไปมองเราต้องมองตัวเองบางครั้งเรามองตัวเองเรายังหงุดหงิดใจตัวเองเลยบางครั้งเราเห็นตัวเองดังยอมมีความรู้สึกลำคาญตัวเองเลยทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นต้องไปพิจารณาให้ดีๆว่าอารมณ์เราไม่ปกติความคิดเราก็ไม่ปกติ ความรู้สึกเราก็ไม่ปกติมันจึงทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยผิดปกติไปไม่ถูกต้องตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติไปแล้วมีแต่ความหลงปฏิบัติไปแล้วมีแต่ความไม่รู้ปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นทำให้เราโง่ลงก็มี ปฏิบัติไปแล้วไม่เกิดสติปัญญาเลยปฏิบัติไปแล้วยังไม่รู้แนวทางว่าเราจะไปทางไหนไม่รู้จะไปวัดไหนดีเขาบอกวัดนี้ดีเอาอยากไปเขาบอกวัดนั้นดีก็อยากไปแต่ไม่รู้ใจตัวเองเลยว่าไปเพื่ออะไรไปแล้วได้อะไรไปทำอะไรเรายังไม่รู้เลยเพราะนั้นเราต้องพิจารณาให้เห็นในปัจจุบัน ว่านในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ให้รู้ในปัจจุบันว่านในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ให้รู้ในปัจจุบันว่านในขณะนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่นี่คือสิ่งยกสรมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ประพฤติปฏิบัติลองปฏิบัติตามในพระธรรมของพระพุทธองค์ทั้งต่างๆที่ ได้กล่าวมาในเบื้องตน้นซึ่งเป็นธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ก็อยากจะให้ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายรวมไปถึงพระพิสุสงฆ์รวมไปถึงเมชีและอุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งใจพิจารณาตัวเองพิจารณากายพิจารณาใจมองให้เห็นกายมองให้เห็นใจมองให้รู้กายมองให้รู้ใจมองแล้วให้เข้าใจกายให้เข้าใจตัวเราเองให้มากที่สุดแล้วเราจะได้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริง เราจะได้เป็นผู้รักษาสินอย่างแท้ จ, จริงโดยที่ไม่หลอกตัวเองและก็ไม่หลอกบุคคลอื่นโดยที่เรายังมีความเช <C le af> ื่อมั่นมีความศรัทธานในสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เราพึงจะได้ก็คือสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดของตัวเรานั่นเอง สิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดในตัวเราเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวไม่ได้มีอะไรมากเลยแต่เราคิดว่าไ อ, ไอ้นี้ก็ดีไอ้นั้นก็ดีสิ่งนี้ก็เป็นมงคลสิ่งนั้นก็เป็นมงคลมันเป็นการเพ้อเจอ้อไปเราไม่รู้จริงๆว่ามงคลที่แท้จริงเนี่ยมันมีอะไรมงคลที่แท้จริงมันคืออะไรคือความดี สิ่งที่เป็นมงคลคือความดีความดีนี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เลยความดีนี่หาที่ไหนไม่ได้บูชาที่ไหนไม่ได้เช่าที่ไหนไม่ได้ต้องสร้างขึ้นมาให้กับกายเราเองความดีความดีที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้มงคลสามประการสิ่งนี้เนี่ยเราต้องทำทุกข้อ เราต้องทําทุกอย่างเป็นเอกมองคลสูงสุดอย่างปูชาจะปูชนียหนังเอตมังคลมุตตะปันติการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นเอกมองคลอันสูงสุดนี่ไงคือสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทําคือสิ่งที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปฏิบัติบทอาศวนาเนี่ยมงคล38ปดป นี่แหละต้องทำทุกข้อมันจะเป็นมงคลอันสูงสุดกับชีวิตเราเราจะคิดว่าโอ้เราคิดดีและจะเป็นมงคลคิดว่าเราคิดถูกและจะเป็นมงคลความเป็นมงคลเนี่ยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้อย่างละเอียดได้ตัดไว้อย่างดีแล้วเอตัมมังคารมุตตัมมังนะคือเป็นเอกมงคลอันสูงสุดลงไป ลองไปพิจารณาว่ามงคล38บประการถ้าเราทำได้เนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลนอกเหนือจากสิ่งนี้เนี่ยไม่มีสิ่งไหนที่เป็นมงคลเลยเพราะนอกเหนือจากพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้เป็นสิ่งอัปมงคลทั้งนั้นเลยภายในกายและใจเรา เราลองไปพิจารณาดูว่าเร า, าจะทำยังไงให้สิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้นมากที่สุดกับตัวเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้กับพระพิสุสงฆ์เมธีไดอุบาสกอุบาสิกาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นมงคลอันสูงสุดก็คือความดีนั่นเองดีตัวเดียวเราไม่ต้องพกพาอะไรไปเยอะ นอกจากคำว่า ด, ดีถ้าเราพบคำว่าชั่วมันก็จะไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าเราพบคำว่า ด, ดีเราก็จะมีดีติดตัวไปจนตายเพราะนั้นขอฝากคำว่าดีไว้แค่ตัวเดียวให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้เก็บไปคิดพิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จงพิจารณาให้เกิดสติปัญญาพิจารณาให้รู้พิจารณาให้เห็นในกายและใจของตัวเราเองละท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศระีปรัตนตยคุณครูบาอาจารย์ในวัดเขาอิติสุขโตก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยมาดลจิตดลใจจน รวมไปถึงพระพิสุสงฆ์ในวัดเขาวิติสุกตก็ขอให้แม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาร่วมฝังธรรมในค่ำคืนนี้ให้เป็นผู้มีสติปัญญาให้มองเห็นสัจจะคือความเป็นจริงให้รู้ให้เข้าใจในคำว่าดีทุกรูปทุกคนทุกท่าน